สมุทยัทยศาสตร์ความจริงคือเหตุให้เกิดทุกข์พระพุทธองค์ตรัสถึงเหตุให้เกิดทุกข์คือรูปนามว่าภิกษุทั้งหลายอริยศาสตร์ที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี้คือตัณหาที่ก่อให้เกิดพบใหม่ประกอบด้วยความยินดีพอใจที่ทําให้เพลิดเพลินพบและอารมณนน์นั้นๆกล่าวคือความพอใจในกรรมคุณในวงเล็บ กรมตัณหาความพอใจโดยเห็นว่าพบเที่ยงภาวะตัณหาและความพอใจโดยเห็นว่าพบขาดศูนย์วิภวะตัณหาตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งปวงเริ่มตั้งแต่การเกิดในภพใหม่ไปจนถึงทุกข์ที่เนื่องด้วยอุปทานนขันหาความเข้าใจเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์จึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อการขาจัดทุกข์ เหมือนกับการวินิจฉัยโรคเป็นสิ่งจำเป็นในการรักษาโรคให้ถูกต้องพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้เหตุให้เกิดทุกข์ได้ด้วยพระองค์เองจึงสามารถขจัดทุกข์ให้หมดสิ้นได้ด้วยการขจัดสาเหตุคือสมุทยัยศสตร์อันได้แก่ตัญหาความทยานอยากในกรรมคุณมีลักษณะกระหายอยากในสิ่งที่ต้องการเหมือนคนหิวข้าว หรือกระหายน้ํานั่นแหละตัณหาเป็นเหตุให้เกิดพบใหม่อยู่เรื่อยไปในวงเล็บโปโนโภวิกาหากว่าเรายังเป็นาธาตุของตัณหาที่ผูกพันเราไว้ด้วยความยินดีพอใจในกามตัณหาซึ่งทําให้เพลิดเพลินและเกาะเกี่ยวอยู่กับอารมณ์ที่น่าพอใจเหมือนกับน้ํามันหรือสีย้อมที่เมื่อสัมผัสเข้ากับสิ่งใด ก็จะเกาะแน่นอยู่กับพื้นผิวของสิ่งนั้นในวงเล็บนันทีราคาสหาคตาและเพลิดเพลินอยู่กับอารมณ์ที่น่าปรารถนาน่าพอใจไม่ว่าจะอยู่ในภพใดก็ตามก็จะพยายามหาความเพลิดเพลินอยู่อย่างไม่รู้สึกเบื่อ น, น่ายในวงเล็บตัดระตตราพินันที่นีหากจะเปรียบเทียบ ในหมู่มนุษย์บุคคลที่มีฐานะดีอาจเห็นว่าคนจนมีชีวิตที่ไม่น่ารื่นรมแต่ถึงกระนั้นผู้ที่โชคร้ายต้องเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนก็ยังเพลิดเพลินในความเป็นอยู่ของตนหรือหากจะเปรียบเทียบชีวิตของมนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานเราจะรู้สึกว่าชีวิตสัตว์เดรัจฉานนั้นเป็นทุกข์ที่น่ากลัว หากคนเราต้องกลายร่างเป็นงูหรือแมลงอย่างใดอย่างหนึ่งคงเป็นสิ่งที่น่าขยะแขยงมากแต่ผู้ที่เกิดอยู่ในภูมิเดระฉานนั้นมากินดีพอใจในร่างกายของตนและมีความเพลิดเพลินกับชีวิตในภพนั้นๆทั้งนี้เพราะตัณหาทำให้ยินดีพอใจในภพที่อยู่และอารมณ์ที่ได้รับดังนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า ปัญหามีลักษณะเพลิดพเพลินพบและอารมณ์นั้นๆในวงเล็บตัดตรัตราพินันทีนีดังที่เห็นได้จากตัวอย่างเรื่องพญานาคจำปะยะและเรื่องพระนางอุ ป, ปรีมีเรื่องย่อ ด, ดังต่อไปนี้เรื่องพญานาคจำปะยะ ในสมัยหนึ่งพระโพธิสัตว์ได้เกิดเป็นคนเข็นใจใกล้แม่น้ำจำาจาปาท่านต้องการสมบัติของพญานาคจํเปะยะยจึงได้ให้ทานและรักษาศีลและตั้งจิตปรารถนาเมื่อสิ้นชีวิตลงไปได้ไปเกิดเป็นพญานาคอยู่บนบัลลังก์ท่านทราบว่าตนได้เกิดเป็นพญางูก็เกิดความสังเวชใจคิดว่าด้วยผลบุญที่บาเพ็ญมานั้น อาจส่งผลให้ไปเกิดเป็นเทพระบุตรในสวรรค์ทั้งหกชั้นได้จึงเสียใจมากขนาดนั้นนางนาคชื่อสุมนาได้ให้สัญญาณกับนางนาคอื่นแล้วพากันแปลงร่างเป็นเทพธิดามาห้อมล้อมและฟ้อนรำขับร้องปลนเปลอพยพญานาคจำเปยะเห็นเช่นนั้นแล้วสำคัญว่านาคขาพิภพนี้น่ารื่นรม เหมือนสวรรค์ชั้นดาวดึงจึงแปลงกายเป็นเท พ, พบุตรแล้วร่วมอภิรม์กับนางนาคเหล่านั้นจะเห็นได้ว่าแม้พระโพธิสัตว์จะเกิดความสลดสังเวชเมื่อพบว่าตนได้กำเนิดเป็นพญานาคแต่ครั้นนางนาคแปลงร่างมาปลนเปลอือก็อดที่จะเพลิดเพลินไปด้วยไม่ได้ทั้งนี้เพราะตัณหาทําให้เพลิดเพลินได้ไม่ว่าจะอยู่ในภพใดก็ตาม และเพราะตัณหาอีกเหมือนกันที่เป็นเหตุให้ท่านปรารถนาสมบัติของพญานาคจำเปยยะจนต้องอุบัติในภูมิดิรชานตัณหาจึงเป็นเหตุให้เกิดพบใหม่เรื่อยไปดังพระพุทธดารัสว่าตัณหาที่ก่อให้เกิดพบใหม่ในวงเล็บโปโนพวิกา เรื่องพระนางอุปรีพระนางอุปรีเป็นอั拉ไมเฮสีของเจ้าอัศกะผู้กรองนครปาตตลีในแคว้นกาสีด้วยความเป็นหญิงที่มีพระสิริโฉมงดงามเป็นเลิศจึงเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าอัศกะยิ่งกว่าไมเหสีองค์อื่นต่อมาพระนางได้สิ้นพระชนในวัยยังสาวทาให้พระเจ้าอักะทรงโทมนัส จนไม่เป็นอันเสวยหรือบรนทมได้รับสั่งให้นําร่างของพระนางบรรจุไว้ในโลงแก้วแช่น้ำมันแล้วเก็บไว้ใต้แท่นพระบรนทมพระเจ้าอสกะทรงตรอมตรมพระทัยอยู่เช่นนี้ตลอดเจ็ดวันขณะนั้นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นดาบทอยู่ในป่าหิ ม, มพานต์ทรงทราบด้วยอภิญญาว่าพระเจ้าอสกะตกอยู่ในห้วงทุกขโทมนัส อันใหญ่หลวงจึงเหาะไปยังพระราชอุทยานแล้วช่วยให้พระเจ้าอสกะได้พบกับพระนางอุปรีซึ่งไปเกิดเป็นดวงปีกแข็งอาศัยอยู่ในอุทยานนั้นเหตุที่พระนางไปเกิดเป็นตัวดวงก็เพราะว่ามิได้ทำบุญให้ทานหรือรักษาศีลในขณะมีชีวิตอยู่เพียงแต่มัวเมาในรูปสมบัติของตนจนลืมทำบุญกุศล คนส่วนใหญ่ที่เกิดมาในตระกูลสูงมีฐานะร่ำรวยรูปโฉมงดงามมักจะเย่อหยิ่งจองหองปราศจากความอ่อนอน้อมถ่อมตนและไม่สนใจที่จะบำเพ็ญบุญด้วยการให้ทานหรือรักษาศีลพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในจุลักกรมวิพังขสูตรว่าบุคคลที่เย่อหยิงมักจะไปเกิดในภพที่ต่ำ ส่วนผู้ที่อ่อนน้อมต่อผู้ที่ควรอ่อนน้อมจะได้ไปเกิดในตระกูลสูงพระนางอุปรีในเรื่องนี้เป็นหญิงที่มีรูปโฉมงดงามอีกทั้งยังเป็นอัครหมเหสีของพระเจ้าแผ่นดินจึงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเย่อยิง่งวิบากกรรมของพระนางจึงส่งผลให้ไปเกิดเป็นด้วงปีกแข็งที่อาศัยอยู่ในมูลสัตว์เมื่อพระเจ้าอัึกะได้ยินว่า อัครไม่เหสีไปเกิดเป็นด้วงปีกแข็งก็ไม่ทรงเชื่อพระดาบทจึงอธิษฐานให้ตัวด้วงอดีตอัครไม่เหสีและคู่ครองออกมาเฝ้าพระเจ้าอสกะแต่พระเจ้าอสกะก็ไม่ทรงเชื่อเพราะบุคคลผู้ที่ไม่เชื่อกรรมและผลของกรรมอีกทั้งไม่เข้าใจหลักปฏิจจสมุปบาทมักไม่อาจยอมรับว่าคนที่ตายจากโลกมนุษย์แล้ว จะตกต่ำถึงกลับไปเกิดเป็นดวงปีกแข็งได้ชาวพุทธบางคนในปัจจุบันนี้ยังเชื่อว่ามนุษย์สิ้นชีวิตลงไปไม่ไปเกิดในภูมิที่ต่ำกว่ามนุษย์ดังนั้นคนในสมัยก่อนพุทธกาลซึ่งไม่เคยฟังธรรมของพระพุทธเจ้ามาก่อนจึงมีความเห็นผิดเช่นนั้นเมื่อพระเจ้าอสกะไม่ยอมเชื่อว่าดวงปีกแข็งในมูลสัตว์นั้น คืออดีตอัครมเหสีพระดาบทจึงอธิษฐานให้พระราชาและราชบริษัทได้ยินคำสนทนาของท่านกับตัวด้วงพระดาบทเมื่อชาติก่อนเธอเป็นใครอดีตอัครมเหสีฉันเป็นพระนางอุปรีอัครมเหสีของพระเจ้าอัสกะพระดาบท เธอจงตอบเรามาเดี๋ยวนี้เธอยังรักพระเจ้าอสกะอยู่หรือว่ารักตัวด้วงคู่ของเธออดีตอ克拉มิเหสีพระเจ้าอสกะเคยเป็นพระสวามีในชาติก่อนตอนนั้นฉันเคยเที่ยวเล่นในอุทยานแห่งนี้กับพระองค์ได้รับความเพลิดเพลินด้วยรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสอันน่ารื่นรมแต่บัดนี้ ฉันอยู่ในภพใหม่ไม่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าอสกาอีกต่อไปในคำพีอธิกถาได้กล่าวถึงคำตอบของด้วงอดีตอัครมเหสีต่อไปว่าบัดนี้ฉันต้องการที่จะฆ่าพระเจ้าอสกะแล้วนำโลหิต จ, จากพระสอของพระองค์มาล้างเท้าตัวด้วงปีกแข็งในมูลโคผู้เป็นสามีของฉัน ในคำพีชาดกพบคำพูดของอดีตอัครมเหสีว่าฉันเพลิดเพลินพอใจอยู่ได้เที่ยวชมอุทยานแห่งนี้พร้อมกับพระเจ้าอัสกะผู้เป็นที่รักยิ่งแต่สุขทุกข์ใหม่ในปัจจุบันได้บทบางอดีตไปหมดดังนั้นฉันจึงรักดวงมากกว่าพระเจ้าอัศกะเมื่อพระเจ้าอัศกะได้ยินว่าอดีตอัครมเหสี ไม่เหลือเยื่อใยกับพระองค์เลยแม้แต่น้อยจึงคลายความอาลายัยแล้วรับสั่งให้เอาร่างของพระนางไปทิ้งหลังจากนั้นก็ได้แต่งตั้งหญิงอื่นเป็นอักรามเหสีแล้วครองแผ่นดินโดยธรรมข้อคิดจากที่ได้เรื่องนี้คือถนะที่พระนางอุปรีเป็นมนุษย์ก็ทรงยินดีในฐานะที่สูงทรง แต่ครั้นเมื่อกำรรส่งผลให้เกิดเป็นตัวด้วงปีกแข็งก็ยินดีในชีวิตของตัวด้วงซึ่งมีความผูกพันกับคู่ครองใหม่ยิ่งกว่าพระเจ้าอัสกะหลายร้อยหลายพันเท่าในทํานองเดียวกันนี้สัตว์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นสุนัขหรือสุกรต่างก็พอใจในชีวิตของตนสัตว์โลกทั้งหมดย่อมพอใจในภพที่อยู่ และอารมณ์ที่ได้รับด้วยอำนาจของตัณหานั่นเองการเกิดขึ้นของภพใหม่ลำดับต่อไปนี้จะอธิบายการเกิดของภพใหม่เรื่อยไปด้วยตัณหาที่เรียกว่าโปโนภวิกาในวงเล็บตัณหาที่ก่อให้เกิดภพใหม่ ตัณหามีลักษณะทำให้เพลิดเพลินและผูกพันผู้คนจึงมักจะเพลิดเพลินในพบและอารมณ์ต่างๆที่ได้มาอีกทั้งต้องการให้พบและอารมณ์นั้นๆมั่นคงถาวรจึงพยายามทำกรรมต่างๆเพื่อให้ได้อารมณ์ที่ต้องการเจตนาหรือกรรมเหล่านี้มีทั้งกุศลและอกุศลตามสมควรซึ่งเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดพบใหม่ เมื่อบุคคลใกล้จะตายจะมีกรรมอารมณ์ที่ดีและชั่วที่เคยได้กระทํามาปรากฏให้เห็นทางใจหรือมิฉนั้นก็จะมีกรรมนิมิตคือเครื่องหมายของกรรมที่ได้เคยทำไว้ในอดีตเช่นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือความคิดอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องกับกรรมในอดีตหรือมิฉนั้นก็จะมีคตินิมิต คือเครื่องหมายของพบใหม่ที่ผลของกรรมจะนำไปเกิดกรรมอารมณ์กรมนิมิตหรือคตินิมิตซึ่งปรากฏแก่บุคคลในขณะใกล้เสียชีวิตนั้นจะถูกตันหายึดไว้มั่นจนไม่สามารถจะสลัดออกจากใจได้เหมือนเงาภูเขาที่ทอดไปปกคลุมแผ่นดินกรรมอารมณ์นั้นกรมนิมิตและคตินิมิตก็แผ่ครอบคลุมจิต ในขณะใกล้เสียชีวิตในวงเล็บมรณาสันนัชวนะคือชวนะจิตใกล้าตายหรืออภิสังขารวิญญาณคือจิตปรุงแต่งปฏิสนธิพระพุทธองค์ตรัสไว้ในอังคุตรนิกายว่าอานอนนด้วยเหตุนี้แลกรรมจึงชื่อว่าเป็นไรนาวิญญาณชื่อว่าเป็นเมล็ดพืช ตัณหาชื่อว่าเป็นความชุ่มชื้นเรื่องนี้มีอธิบายว่ากรรมดีและกรรมชั่วเหมือนไรนาอันเป็นที่เพาะปลูกอภิสังขารวิญญาณคือจิตปรุงแต่งปฏิสนธิที่ประกอบด้วยเจตนาในขณะใกล้เสียชีวิตซึ่งเหมือนกับเจตนาในขณะทำกรรมครั้งก่อนเหมือนมเมล็ดพืชตัณหาคือความเพลิดเพลินในพบ และอารมณ์ต่างๆเหมือนความชุ่มชื้นในขณะใกล้เสียชีวิตนั้นชาณนาจิตที่ปรุงแต่งปฏิสนธิได้รับเอากรร ม, มะอารมณ์กรร ม, มนิมิตและคตินิมิตเป็นอารมณ์อีกทั้งปัญหาที่พอใจกรร ม, มะอารมณ์เป็นต้นนั้นย่อมก่อให้เกิดปฏิสนธินธจิตในภพใหม่ ด้วยการอุปถัมภ์ของชวนาจิตดังกล่าวการเกิดใหม่เกิดจากปัจจัยสองอย่างประกอบกันคือกรรมและตัณหาแต่หากไม่มีตัณหาลำพังกรรมเพียงอย่างเดียวไม่อาจนำให้ปฏิสนธิได้เพราะไม่มีตัณหาอุปถัมภ์ข้าจุนดังนั้นพระพุทธองค์จึงไม่ตรัสว่าเหตุให้เกิดทุกข์คือกรรมแต่ตรัสว่า คือตัณหาเพื่อแสดงถึงมูลเหตุของการเกิดทุกข์พระอรหันต์เป็นบุคคลที่กําจัดตัณหาได้โดยสิ้นเชิงกรรมเดียวหรือกรรมชั่วในอดีตของท่านเหล่านั้นจะส่งผลจนถึงเวลาปรินิพพานในชาติสุดท้ายเท่านั้นไม่ส่งผลให้ปฏิสนธิอีกเช่นพระสิวลีมีลาภมากพระพากุละมีสุขภาพดีหรือพระ โลสกาติสะไม่อาจฉันอาหารอิ่มท้องสักมื้อหนึ่งพระโมคคัลลานะถูกโจนทุบจนเสียชีวิตแต่กรรมเก่าของพระอรหันต์ไม่ก่อให้เกิดภพใหม่เพราะท่านไม่มีตัณหาและอภิสังขารวิญญาณที่เป็นมูลเหตุให้เกิดอีกเนื่องจากตัณหาเป็นมูลเหตุที่สำคัญของการเกิดใหม่พระพุทธองค์จึงได้ตรัสว่า ตันหามีลักษณะก่อให้เกิดพบใหม่ในวงเล็บโปโนพวิกาในปัจจุบันมีบางคนกล่าวตู่ว่าพระผู้มีพระภาคทรงสั่งสอนเกี่ยวกับพบปัจจุบันเท่านั้นไม่เกี่ยวกับพบใหม่นี่เป็นการพยายามจะอธิบายแบบอุเฉทวาทะหรือทฤษฎีที่กล่าวว่าพบขาศูนย์ ซึ่งจัดเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างหนึ่งแต่ความเป็นจริงนั้นรับใดที่ตันหายัางไม่ได้ถูกขจัดไปด้วยการอบรมอริยมรรคมีองค์แปก็จะยังเป็นเหตุใ ห, ให้เกิดพบใหม่อยู่เรื่อยไปเมื่อตันหาถูกโล ก, กุตระมรรคทำลายไปด้วยการอบรมอริยมรรคข้างต้นการเกิดในพบใหม่ก็จะไม่มีอีกดังนั้นพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลาย จึงมีการพิจารณาในปัจจเวกขณะยานว่าพบนี้เป็นพบสุดท้ายพบใหม่ไม่มีอีกแล้วดังที่ปรากฏในตอนท้ายของพระสูตรนี้และพระสูตรอื่นมีเรื่องหลายเรื่องที่พบในพระไตรปิฎกและคมภีอัตถกถาที่ยืนยันได้ว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดพบใหม่อีกทั้งยังมีเรื่องเล่าในยุคปัจจุบัน ในที่นี้จะนำบางเรื่องมากล่าวถึงพอเป็นตัวอย่างเรื่องพระสุมนาเทรีครั้งหนึ่งขณะที่พระผู้มีพระภาคเสด็จบินธบารในกรุงรัชครได้ทอดพระเนตรเห็นนางลูกสุกรตัวหนึ่งซึ่งทรงแย้มพระโอษฐ เมื่อพระอนนุนทูลถามถึงสาเหตุแห่งการแย้มนั้นพระองค์ตรัสตอบว่าลูกสุกรตัวนั้นเคยเกิดเป็นหญิงสาวในสมัยของพระพุทธเจ้ากกุสันทะเมื่อตายลงได้เกิดเป็นแม่ไก่อาศัยอยู่ใกล้หอฉันในวัดแห่งหนึ่งและถูกเหี่ยวฆ่าตายในขณะกำลังฟังเสียงพระสงฆ์สวดมนต์เนื่องจากจิตเป็นกุศลในขณะใกล้ตาย จึงไปเกิดในราชตระกูลมีพระนามว่าเจ้าหญิงอุปภรีต่อมาเธอได้ออกบวชเป็นนางปริภาชิกาในวงเล็บนักบวชหญิงในอินเดียนอกพระพุทธศาสนาวันหนึ่งเห็นตัวหนอนในอุจจระจึงได้ยกขึ้นเป็นอารมณ์กรรมฐานแล้วได้บรรลุปฐมฌานครั้นเสียชีวิตแล้วได้ไปบังเกิดในพรหมโลกชั้นปฐมฌาน เมื่อจุติจากพรหมไปเกิดเป็นที่ดาของเศรษฐีต่อจากนั้นจึงไปเกิดเป็นสุกรดังที่เห็นอยู่นี้ตถาคตจึงได้ทำการแย้มให้ปรากฏภิกษุเมื่อได้ฟังเรื่องนี้แล้วก็เกิดความสังเวชพระผู้มีพระภาคจึงตรัสพระคาถาหกบทบทแรกมีข้อความว่าเมื่อรากปราศจากอันตรายมั่นคงอยู่ ต้นไม้ที่ถูกตัดแล้วย่อมกลับงอกขึ้นได้ฉันใดเมื่อบุคคลยังถอนเชื้อตันหาไม่ได้ทุกนี้ย่อมเกิดขึ้นบ่อยๆฉันนั้นในขณะที่พระนางอุปรีได้เจริญฌานจนบรรลุปฐมฌานและเกิดเป็นพรมอยู่ปาริยุตฐานกิเลสได้ถูกข่มไว้ชั่วคราวอนุสัยกิเลสมิได้ถูกขจัดไปด้วยอริยมรรค ดังนั้นเมื่อจุติจากพรหมนางจึงไปเกิดเป็นทิดาของเศรษฐีและต่อมาได้เกิดเป็นนางสุกรดังได้กล่าวมาแล้วทั้งนี้เพราะผู้ที่จุติจากพรมโลกย่อมไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตหรือสัตว์นรกแต่ต้องไปเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาก่อนเมื่อนางสุกรตายลงไปได้เกิดในตระกูลกษัตริย์ในสวนุวรรณภูม ต่อจากนั้นเกิดเป็นหญิงคนหนึ่งในเมืองพาราณสีแล้วเกิดเป็นหญิงในแควนาวาวาสีทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองมุมไบาจากนั้นเกิดเป็นทิดาของพ่อค้าผ้าที่เมืองท่าชื่อสุปราระกะซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองมุมไบต่อมาเกิดเป็นทิดาของนายเรือที่ท่ากาวีระทางใต้ของคาบสมุทรอินเดีย ซึ่งเป็นหลังของชาวทมินชาติก่อนต่อมาเกิดในตระกูลของขุนนางในเมืองอนุราธะประเทศสีลังกาหลังจากนั้นเกิดเป็นธิดาของกุดุมพีในหมู่บ้านโพคัตทันตะคามทางใต้เมืองอนุราธะใช้ชื่อตามบิดาว่าสุมาณาต่อมาบิดาได้ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่หมู่บ้านมหามุนีในเขต ที่ควาปีวันหนึ่งอมาตของพระเจ้าทุตคามินีชื่อละกุณดกะอติมพระได้ไปทำธุระที่หมู่บ้านมหามุนีนั้นเห็นนางแล้วเกิดหลงรักจึงได้ทำการวิวาอย่างยิ่งใหญ่แล้วพานางมาอยู่ที่หมู่บ้านมหาปุณณ า, ามอันเป็นสำนักของตนในขณะนั้น พระมหาอนุรุทธะธซึ่งพำนักอยู่ในวัดแห่งหนึ่งในละแวกนั้นได้ไปบินทบาทในหมู่บ้านขณะที่กำลังยืนรอรับบินทบาทอยู่ที่ประตูรเรือนของนางสุมนาได้เห็นนางแล้วก็กล่าวกับพิษุผู้ติดตามว่าช่างหน้าอัศจรรย์แท้นางลูกสุกรที่เกิดในสมัยพุทธกาลนั้นบัดนี้มาเป็นภรรยาของมหาอมารต และกุณฑกะอติมาพระนางสุมนาเมื่อได้ยินดังนั้นก็ได้เกิดฌานระลึกชาติที่ผ่านมาทั้งสิบสามชาติได้เกิดธรรมสังเวชขออนุญาตสามีและบวชในสำนักภิกษุณีหลังจากบวชแล้วได้ฟังมหาสติปัฏฐานสูตรที่วัดติศสะมหาวิหารได้เจริญวิปัสนาตาม ไปจนบรรลุเป็นพระโสดาบันครั้นเมื่อพระเจ้าทุตคามินีเสด็จขึ้นครองราชนางกลับไปยังบ้านเกิดที่โพคัคคันตคามวันหนึ่งได้สดับอาศีวิโสปมาสูตรนวัรกรยามหาวิหารแล้วบรรลุมรรคผลโดยลำดับจนสำเร็จเป็นพระอรหรันต จะเห็นได้ว่าการระลึกถึงอดีตชาติทั้ง13ชาติของนางสุมาาเป็นปัใจจัยให้เกิดความสังเวชว่าเห็นการเกิดแต่ละครั้งนั้นเป็นทุกข์ทั้งแก่ตนเองและบุคคลอันเป็นเที่ยรักและเหตุที่ทำให้การเกิดก็คือตัณหาดังนั้นตัณหาจึงเป็นสมุทัยศาสตร์ เรื่องของสมาณาเท พ, พบุตรในสมัยพุทธกาลมีกุลบุตรคนหนึ่งบวชเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาครบห้าพรรษาท่านอุปถากอุปชาอาจารย์ด้วยวัดน้อยใหญ่ศึกษาพระปาติโมกและสังฆกรรมอื่นๆจนมีความเข้าใจเป็นอย่างดีหลังจากนั้นได้เรียนกรรมฐานแล้วเข้าไปในป่าเพื่อจเจริญภาวนาโดยลาพัง ท่านได้ปฏิบัติธรรมอย่างเข้มงวดโดยไม่ได้พักผ่อนและฉันอาหารอย่างพอเพียงจึงสิ้นชีวิตลงขณะเดินจงกรมแม้ท่านจะเพียรปฏิบัติธรรมอย่างยิ่งยวดก็มิได้บรรลุมรรคผลดังนั้นจึงไปเกิดเป็นเทพระบุตรในสวงสวรร์ชั้นดา ว, วดึงด้วยอำนาจภาวนากุศลที่บำเพ็ญไว้เพราะยังขจัดตัณหาที่เพลิดเพลินในภพไม่ได้ ขณะนั้นนางอับสอนหนึ่งพันที่รอการอุบัติของเจ้าของวิมานได้พากันมาต้อนรับด้วยความยินดีแต่สมณะเทพบุตรในวงเล็บเทพบุตรนักบวช ย, ยังไม่รู้ตัวว่าได้ไปเกิดใหม่แล้วจึงสำคัญว่าตนเป็นภิกษุนั่งสำรวมอยู่นางอับสอนนำเอากระจกมาให้เทพบุตรส่องดู ครั้นท่านทราบว่าตนได้ไปบังเกิดในสวรรค์ก็เกิดความโทมนัสเสียใจดํ m ริว่าเราจเจริญภาวนาไม่ใช่เพื่อสวรรค์สมบัติแต่มุ่งหวังเพื่อบรรลุอรหัตผลอันเป็นประโยชน์สูงสุดเปรียบได้กับนักมวยที่เข้าแข่งขันชิงเหรียญทองแต่กลับได้ผักกาดเป็นรางวัลความสุขในสวรรค์นั้นเป็นของหาง่าย แต่การอุบัติของพระพุทธเจ้ามีได้ยากจึงจําเป็นจะต้องได้สดับคําสอนจากองค์พระศาสดาจึงจะบรรลุมรรคผลได้หากเรามัวเพลิดเพลินด้วยความสุขบนสวรรค์ก็อาจจะพลาดโอกาสที่จะได้ฟังธรรมจากพระพุทธองค์ดังนั้นท่านจึงเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมกับนางอับซรทันทีแล้วกราบทูลว่า อุทยานชวนหลงอันกลุ่มนางอักษรประโคมขับร้องมีหมู่ปีศาจสิงอยู่แล้วทำชะไหนจริงจะหนีไปให้พ้นได้ในเรื่องนี้เทพบุตรทูลถามถึงวิธีการปฏิบัติเพื่อหลีกหนีจากอุทยานที่เต็มไปด้วยความลุ่มหลงซึ่งในคำพีอธิกถาได้อธิบายขยายความว่าคำตอบที่เทพบุตรแสวงหา ก็คือแนวทางปฏิบัติวิปัสนาเพื่อบรรลุธรรมพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าทางตรงเป็นทางอริยมรรคนั้นทิศที่ไม่มีภัยเป็นพระนิพพานนั้นรถที่ไม่มีเสียงดังคืออริยมรรคมีองค์แปดประกอบด้วยกงล้อแห่งธรรมคือความเพียรในคำมพียรทัศกถาอธิบายว่า พระพุทธองค์มักตรัสสอนผู้ที่ยังไม่ได้ถือศีลให้ชำระศีลก่อนแล้วจึงสอนการเจริญสมาธิและปัญญาที่เข้าใจกรรมและผลกรรมแต่ทรงแนะนำวิธีปฏิบัติวิปัสนาที่เป็นเหตุไร้ของโลกุตระมักแก่ผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์ปฏิบัติธรรมอยู่โดยเหตุที่เทพบุตรนั้นตั้งอยู่ในศีลเพราะ แม้จะจุติจากภิกษุมาเป็นเทพบุตรแล้วก็ยังมีศีลบริสุทธิ์อยู่พระพุทธองค์จึงทรงแนะนำวิธีเจริญวิปัสสนามักให้แก่ท่านในเรื่องนี้เทพบุตกรกล่าวเปรียบว่านันทวันอุทยานในสวรรค์ดาววดึงชื่อว่าโมหณนะคืออุทยานชวนลุ่มหลงมีกลุ่มนางอับสอนที่เหมือนหมู่ปีศาจ ประโคมขับร้องให้หลงระเริงในกามคุณทำชะไหนจึงจะหนีพ้นไปได้ใจความของคาถาที่หนึ่งคือทางตรงในการออกจากอุทยานชวนหลงคือทางอริยมรมีองค์แปดที่เธอได้ดําเนินไปแล้วในขณะเป็นภิกษุทิศที่ไม่มีภยัยอันเป็นจุดหมายของการพ้นไปคือพระนิพพานที่เธอได้มุ่งหวังไว รถที่จะนำออกจากอุทยานชวนหลงไม่มีเสียงดังแม้ผู้คนจำนวนมากขึ้นนั่งก็ไม่ส่งเสียงคืออริยามากมีองค์8ดกงล้อของรถคือความเพียรทางกายอันได้แก่การกระทำอากับกิริยาเดินยืนและนั่งให้ต่อเนื่องโดยไม่เปลี่ยนอริยาบทและความเพียรทางใจอันได้แก่ การเฝ้ากําหนดดูรู้รูปนามตามความเป็นจริงในแต่ละขณะนั้นเมื่อสมาธิแก่กล้าขึ้นการเจริญสติอย่างต่อเนื่องผู้ปฏิบัติธรรมย่อมรู้เห็นความแตกต่างระหว่างรูปที่เคลื่อนไหวกับนามที่เป็นสภาพรู้เมื่อสมาธิแก่กล้าขึ้นอีกเขาจะสังเกตเห็นถึงความเป็นเหตุเป็นผลกันของรูปและนามว่า เพราะมีจิตที่อยากจะเดินจึงมีรูปเดินเกิดขึ้นเพราะมีอารมณ์ที่ควรรับรู้จิตรู้จึงเกิดขึ้นเมื่อการปฏิบัติก้าวหน้าต่อไปอีกเขาย่อมรู้เห็นการเกิดดับของสภาวะธรรมรูปนามซึ่งทาให้เข้าใจว่าสภาวะธรรมทั้งปวงไม่คงทนถาวรเป็นสิ่งที่มีความน่ากลัวเกิดขึ้นเองตามปัจจัย โดยไม่อยู่ในบังคับบัญชาของใครรถที่กล่าวถึงในเรื่องนี้เป็นรถเทียมม้าในสมัยก่อนรถบางคันเมื่อยังไม่มีคนนั่งก็จะไม่ส่งเสียงต่อเมื่อบันทุกคนหรือสิ่งของก็จะมีเสียงดังในเวลาแล่นไปแต่มร კ ยานที่มีวิปัสสนาเป็นสารถีนี้สามารถบันทุกคนได้มาก ไม่มีจํากัดโดยไม่มีเสียงเลยบางครั้งนำผู้โดยสารไปสู่พระนิพพานได้อย่างเงียบเชียบถึงสี่0มืนแปดพันคนในขณะฟังธรรมดังนั้นสมณะเทพบระบุจึงสามารถหลบหนีออกจากอุทยานชวนหลงได้โดยอาศัยมักคยานที่ไม่มีเสียงนี้พระพุทธองค์ตรัสต่อไปว่าหิหริเป็นพนักพิงของรถ สติเป็นตัวถังเรากล่าวในวงเล็บโลกุตระธรรมที่มีสัมมาทิฐิคือวิปัสสนานำหน้าว่าเป็นสารถีในคาถานี้มีใจความว่าพนักพิงของรถคือหิหริโอตตา ป, ปะหมายถึงความละอายต่อบาปและความเกรงกลัวผลบาปเมื่อเกิดกิเลสในขณะขาดสติระลึก รู้สภาวะธรรมปัจจุบันเหมือนพนักพิงที่ป้องกันไม่ให้คนตกลงไปจากรถกล่าวคือในบางครั้งกิเลสอาจปรากฏในจิตได้เมื่อลืมกำหนดรู้เท่าทันปัจจุบันผู้ปฏิบัติธรรมย่อมรู้สึกรังเกียจกิเลสด้วยหิริเหมือนกับคนที่อาบน้ำชำระกายแล้วมีความรังเกียจเมื่อได้สัมผัสกับสิ่งสโปรกนอกจากนี้ กิเลสที่เกิดทางใจยังเป็นมโนทุจริตที่ส่งผลไม่ดีให้ต่อไปและขัดขวางความหลุดพ้นจากสังสารวัตเขาย่อมเกรงกลัวผลบาปคือกิเลส ท, ทางใจนั้นด้วยอตับ ป, ปะดังนั้นจึงพยายามที่จะไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นด้วยการกำหนดรู้อย่างต่อเนื่องไม่ให้เผลอลืมกำหนดตัวถังรถคือสติที่ป้องกัน ไม่ให้อกุศลเกิดขึ้นในจิตเปรียบได้กับตัวถังรถที่ป้องกันไม่ให้ก้อนหินหรือท่อนไม้ตกลงในรถเพราะสติรู้สึกรู้สภาวะธรรมในแต่ละขณะนั้นจะป้องกันอกุศลมิให้เกิดขึ้นได้ดังนั้นสติปัฏฐานสี่จึงทำหน้าที่เหมือนตัวถังรถแห่งมักคยานสารถีคือสัมมาทิฏฐิอันได้แก่วิปัสนา เราวิปัสนาเป็นธรรมนาหน้าโลกุตระมักกล่าวคือในสัมมาทิฏฐิหกอันได้แก่กรมมสกตาฌานวิปัสนามักผลและปัจเจเวคขณะผลจึงเป็นสิ่งที่เนื่องมาจากมักและปัจเจเวคขณะก็เป็นปัญญาที่เกิดจากการพิจารณาทบทวนหลังจากได้บรรลุมักผลแล้ว สัมมาทิฏฐิสองอย่างหลังนี้จึงเกิดขึ้นเองตามลำดับต่อจากมักโดยไม่ต้องใช้ความพยายามเป็นพิเศษส่วนกรรมสั ก, กตาเป็นสิ่งที่ต้องมีมาก่อนเริ่มปฏิบัติธรรมและฌานก็เป็นการอบรมจิตให้บริสุทธิ์เพื่อเป็นฐานในการเจริญวิปัสสนาดังนั้นปัญญาที่เป็นปัจจัยโดยตรงแกโลกุตระมรรค ก็คือวิปัสนาเมื่อวิปัสนาพัฒนาเต็มที่แล้วก็จะทําให้เกิดโลกุตระมัคในอันดับต่อมาเหมือนทหารองครักษ์นำหน้าขบวนเสด็จของพระราชาอันหนึ่งเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมจเจริญวิปัสนาจนเกิดวิปัสนาปัญญาปัญญานั้นจะเป็นประธานก่อให้เกิดองค์มรรคที่เหลือแต่ในขณะบรรลุ โลกุตระมักมักคยานเป็นประธานก่อให้เกิดองค์มักที่เหลือพระพุทธองค์ได้ตรัสคาถาสุดท้ายว่ายานชนิดนี้มีอยู่แก่ผู้ใดจะเป็นหญิงหรือชายก็ตามเขาย่อมไปสู่พระนิพพานด้วยยานนี้แหละในคาถานี้ได้ตรัสว่ายานพาหนะมีประโยชน์เพื่อให้ผู้ขับขี่ไปถึงจุดหมายปลายทาง ความเข้าใจเรื่องยานพาหนะอย่างเดียวโดยไม่ได้ขับขี่ไม่อาจทำให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายได้ในกรณีเดียวกันความเข้าใจปริยัตก็เหมือนการศึกษาวิธีขับขี่แต่การปฏิบัติธรรมเหมือนการลงมือขับขี่เองบุคคลใดเป็นหญิงหรือชายก็ตามได้ขับขี่ยานคืออริยมากเหล่านี้บุคคลนั้นย่อมไปสู่พระนิพพานอย่างแน่นอน หลังจากนั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเรื่องอริยสัจสีและสมณเทพบุตรก็ได้เจริญวิปัสสนาตามไปดังที่ได้เคยปฏิบัติมาแล้วในพบก่อนแม้ท่านจะไม่สามารถบรรลุธรรมในขณะที่เป็นภิกษุก็ได้บรรลุวิปัสสนาญาณไปตามลำดับจนสำเร็จเป็นพระโสดาบันเพราะอัตภาพของเทวดาเป็นสิ่งที่ละเอียดหมดจดกว่ากายา ของมนุษย์เรื่องข้างต้นชี้ให้เห็นว่าราบใดที่บุคคลยังไม่ได้บรลุโลกุตระมักตันหาก็ยังนําให้ไปเกิดในภพใหม่อยู่เรื่อยไปและยังแสดงวิธีการเจริญอริยมรรคมีองค์8เพื่อให้บรรลุปัญญาขั้นสูงได้โดยสะดวกนอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่าภาวะของเทวดาสามารถบรรลุธรรมได้ ง่ายกว่าภาวะของมนุษย์อันหนึ่งความผูกพันในบุคคลหรือสิ่งของจัดเป็นตันหาที่จะนำพาให้ไปเกิดในพบใหม่ที่ใกล้กับบุคคลหรือสิ่งของนั้นดังเช่นเรื่องราวของพระติดสะที่สิ้นชีวิตในขณะที่ใจเป็นห่วงจีวรใหม่ของตนจึงไปเกิดเป็นตัวเลนที่อาศัยอยู่ในจีวร น, นั้นในคมภีอัตถกถาพบเรื่องชายที่รัก ภรรยามากจนทำให้เขาต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเรื่องชายที่รักภรรยามากในหมู่บ้านแห่งหนึ่งณนประเทศสีลังกามีชายคนหนึ่งแอบเป็นชู้กับภรรยาของพี่ชายหญิงนั้นต้องการอยู่ร่วมกับชายชู้ จึงรบเร้าให้ฆ่าสามีตนเสียเขาทนคำรบเร้าไม่ได้ก็ใจอ่อนจึงฆ่าพี่ชายตามแผนของหญิงนั้นชายผู้เป็นสามีตายแล้วไปเกิดเป็นงูเขียวด้วยความผูกพันในภรรยางูนั้นชอบทิ้งตัวจากหลังคาบ้านลงมาที่หญิงคนนั้นเป็นประจำนางเข้าใจว่างูคืออดีตสามีจึงสั่งให้ชายชู้ฆ่าเสีย เมื่อตายจากความเป็นงูแล้วก็ไปเกิดเป็นสุนักในบ้านเพราะความผูกพันในภรรยายังรุนแรงอยู่มากสุนักนั้นจึงคอยติดตามนางไปทุกหนทุกแห่งทำให้นางถูกล้อเลียนให้อับอายจึงขอให้ชายชู้ฆ่าสุนักเสีย ต, ต่อมาชายคนนั้นได้ไปเกิดเป็นลูกวัวในบ้านนั้นอีกและคอยเฝ้าติดตามหญิงนั้นไปทุกหนทุกแห่ง เหมือนในชาติก่อนนางก็ให้ชายชู้ฆ่าลูกวัวอีกเมื่อตายจากความเป็นวัวแล้วเพราะความผูกพันที่ยังเหนียวแน่นอยู่ได้นําไปให้ไปเกิดในครันของอดีตภรยาเมื่อเกิดเป็นมนุษย์เด็กนั้นสามารถระลึกชาติได้เขาจําได้ว่าชาติที่ผ่านมาตนถูกอดีตภรยาสังฆ่าถึงสี่ครั้งจึงเกิดความแค้นใจว่า ได้มาเกิดในคันของศัตรูเมื่อนางพยายามจะอุ้มหรือแต่ต้องตัวเด็กก็ร้องไห้ทุกครั้งผู้เป็นปู่จึงรับไปเลี้ยงดูครั้นเมื่อเด็กจเจริญวัยขึ้นพอพูดได้ปู่ได้ถามถึงเหตุที่ร้องไห้เด็กตอบว่าหญิงนั้นไม่ใช่แม่แต่เป็นศัตรูที่สั่งให้ฆ่าตนมาแล้วสีชาติเมื่อชายชราทราบความจริงก็เกิดความสลดใจ จึงพาหลานไปบวชต่อมาได้ปฏิบัติธรรมจนบรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้งสองคนเรื่องเหล่านี้แสดงว่าความผูกพันเป็นเหตุให้เกิดใ ห, ดใหม่ในที่ซึ่งตนผูกพันอยู่และยืนยันให้เห็นว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดใหดม่อยู่เรื่อยไปจนกว่าจะบรรลุเป็นพระอรหันต์ผู้ขจัดตัณหาได้โดยสิ้นเชิง จึงจะเป็นอิสระจากความทุกข์ทั้งมวลและสิ่งสำคัญที่ควรสังเกตไว้ก็คือการปฏิบัติวิปัสสนาเป็นหนทางทำให้บุคคลเป็นอิสระจากกองทุกข์ได้มีตัวอย่างเป็นจำนวนมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ในพระไตรปิฎกและคำภีอัตถกถาแต่จะขอเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในปัจจุบันพอเป็นตัวอย่าง เรื่องพระนักเทศที่กลับมาเกิดเป็นคนในระหว่างปีพุทธศักราช2472ถึง2 4 8 4อาตมาพระโสภาณมหาเถระได้พักอยู่ที่วัดใต้จองในวงเล็บวัดตึกในเมืองเมาะละแม่งซึ่งในตอนนั้น มีพระนักเทศที่มีชื่อเสียงมากรูปหนึ่งในวันหนึ่งท่านได้เปิดเทศในงานศพอุทิศส่วนบุญให้แก่ทนายที่ล่วงลับไปอาตมาก็ได้รับนิมนต์อยู่ในงานนั้นด้วยได้ฟังท่านสอนการละลึกถึงความตายมีใจความอยู่ตอนหนึ่งว่าชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงเราจะต้องตายแน่นอน ชีวิตของเรามีความตายรออยู่ข้างหน้าชีวิตไม่แน่นอนแต่ความตายเป็นของแน่นอนหลังจากนั้นไม่กี่วันมีข่าวว่าท่านได้ถูกลอบแทงจนมรณภาพอาตมาเข้าใจว่าในขณะใกล้สิ้นชีวิตท่านคงระลึกถึงความตายโดยเจริญมรณสติกรรมฐานตามที่ท่านเทศไว้เมื่อสองสามวันก่อน แล้วไปสู่สุขติหลังจากนั้นอีกสามปีต่อมาได้มีเด็กชายคนหนึ่งจากเมืองมายิกได้รบเร้าให้พ่อแม่พามาที่เมืองเมาะละแม่งเมื่อมาถึงวัดที่ตนเคยเป็นเจ้าอาวาสอยู่เขาก็บอกแม่ว่าตนคือเจ้าอาวาสในชาติก่อนเขาสามารถเล่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับวัดนี้ได้อย่างถูกต้องและยังจาชื่อเจ้าอาวาสวัด ที่อยู่ในละแวกนั้นได้ทุกรูปอีกด้วยเมื่อมีคนมาถามถึงชายที่เคยเป็นศิษย์ใกล้ชิดของอดีตเจ้าอาวาสเขาบอกว่ากลัวชายคนนี้และเล่าว่าชายคนนี้กับพรกพวกได้รุมกันแทงเขาจนเจียนตายเขาได้วิ่งหนีไปที่ฝั่งแม่น้ำแล้วหนีไปทางเรือเมื่อมาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งก็ได้เข้าไปอาศัยในบ้านพ่อแม่ในปัจจุบัน การหนีคนร้ายและการรงเรือไปอยังบ้านของพ่อแม่คนปัจจุบันก็คือคตินิมิตซึ่งปรากฏในเวลาใกล้ตายตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่าความผูกพันก่อให้เกิดพบใหม่เรื่องคนไปเกิดเป็นควายตามคำสาบาน ในแถบเมืองมงยาวาประเทศพามา่าสมัยที่ยังอยู่ในปกครองของอังกฤษชายคนหนึ่งมีอาชีพให้กู้ยืมเงินเขาไปทวงหนี้จากชาวนาคนหนึ่งแม้ชาวนาจะบอกว่าได้คืนเงินให้แล้วเขาก็ยืนยันว่ายังไม่ได้รับถึงกับสาบานว่าหากชาวนาได้คืนหนี้สี่สจารดแล้วและเขามาทวงหนี้ซ้ำอีก ก็ขอให้เกิดเป็นควายในบ้านของชาวนาชาวนาผู้ยากจนจึงจำใจต้องจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้อีกเป็นครั้งที่สองต่อมาเจ้าหนี้ได้สิ้นชีวิตลงและไปเกิดเป็นควายในบ้านชาวนาตามที่ได้สาบานไว้ชาวนาลองเรียกลูกควายว่าสยาตรงกับคำไทยว่าเฮีย yeah อย่างที่เคยเรียกมาก่อนลูกควายก็ มาตามที่เรียกชาวนามั่นใจว่าเขามาเกิดตามคำสาบานจริงจริงจึงนำเรื่องไปเล่าให้คนอื่นฟังบุตรสาวของเจ้านี่เห็นว่าเขาทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของบิดาจึงได้นำเรื่องไปฟ้องศาลผู้พิพากษาได้นำลูกควายไปพิสูจน์ในศาลเมื่อชาวนาพูดกับมันว่าเฮียมาหน่อยมันก็เดินไปหาชาวนา เมื่อบุตรสาวเรียกชื่อพ่อว่าชิชิมาหน่อยลูกควายก็เดินไปหาบุตรสาวศาลเห็นว่าชาวนาไม่มีเจตนาทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงจึงตัดสินยกฟ้องเรื่องนี้เป็นคติสอนใจว่าเราไม่ควรประมาทชาตินี้เป็นคนชาติหน้าอาจจะเกิดเป็นควายได้และชี้ให้เห็นว่าตันหาย่อมก่อให้เกิดภพใหม่ อีกทั้งการสาบานเท็จก็อาจนำความเดือดร้อนมาให้ในภายหลังเรื่องชายที่ยืมเข้าสารหนึ่งอุ้งมือครั้งหนึ่งในหมู่บ้านชองโยซึ่งอยู่ไกลาราวสิบไมล์ในทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองตองตวินจี มีสหายสองคนชื่อนายโยและนายบัซัยมีอาชีพเร่ขายใบพลูไปตามหมู่บ้านต่างๆวันหนึ่งขณะที่เดินทางกลับบ้านนายบไซัยจะหุงข้าวมื้อเย็นแต่ว่าข้าวหมดพอดีจึงขอยืมข้าวจากนายโยมาอุ้งมือหนึ่งหลังจากที่อิ่มน้ำสำราญแล้วก็ออกเดินทางกลับบ้าน นายบ้าสายโชคร้ายถูกงูกัดตายในระหว่างทางนั่นเองขณะนั้นอยู่ในระหว่างปีพุทธศักราช2451ถึง2461สหายทั้งสองคนนั้นมีอายุราว20ปีเศษนายบ้าสไยไปเกิดเป็นไก่ในบ้านของนายโยด้วยความห่วงใ ย, ยว่าจะต้องใช้ข้าวสารคืนเมื่อไก่โตขึ้นแล้ว นายโยสอนให้หัดชนไก่จนสามารถชนะการแข่งขันติดต่อกันถึงสามครั้งพอครั้งที่สี่กลับแพ้แพ้คู่ต่อสู้ซึ่งแข็งแรงกว่าและเก่งกว่าทำให้ในายโยโกรธมากถึงกับจับไก่ฟาดลงกับพื้นดินจนใกล้าตายแล้วทิ้งไว้อยู่ข้างโองน้ำขณะนั้นแม่วัวตัวหนึ่งเดินมาดมไก่ เมื่อไก่าตายไปได้ไปเกิดในท้องแม่วัวเมื่อลูกวัวโตขึ้นนายโยก็ขายให้กับเพื่อนในราคาสีจา๊าดเพื่อกินเลี้ยงกันในขณะที่ลูกวัวถูกฆ่าชำแหละเนื้ออยู่นั้นมีคู่สามีภรรยาจากเมืองต่องตวินจีผ่านมาเห็นเข้าพอดีภรรยาเกิดความสงสารจึงกล่าวว่าหากฉันเป็นเจ้าของวัวนี้ ฉันจะไม่ทำกับมันอย่างโหดร้ายอย่างนี้ถึงมันจะตายเองก็คงจะกินเนื้อมันไม่ลงหลังจากนั้นไม่นานนักหญิงคนนั้นคลอดบุตรเป็นชายเด็กนั้นเป็นใบ้ไม่ยอมพูดจนอายุเจ็ดขวบวันหนึ่งบิดาของเด็กว่าลูกเอ๋ยพูดเถอะวันนี้เงินเดือนออกพ่อจะซื้อเสื้อผ้าสวยๆมาให้ แล้วเย็นวันนั้นเขาก็ซื้อเสื้อผ้าสวยงามมาให้ลูกชายตามสัญญาแล้วก็อ้อนวอนให้ลูกพูดอีกเด็กจึงพูดว่าข้าวสารหนึ่งอุ้งมือของโยพ่อเด็กดีใจพูดว่าไม่เพียงข้าสารหนึ่งอุ้งมือเลยแม้ข้าวกระสอบหนึ่งเราก็จะเอาไปใช้หนี้ของเจ้าให้หมดได้เด็กชายพูดว่าถ้าอย่างนั้น พ่อเอาข้าวบรรทุกเกวียนสิครับเราจะไปชำระหนี้กันแล้วเด็กก็บอกให้พ่อของเขาขับเกวียนไปทางทิศตะวันตกของเมืองต่องตะวินจีจนมาถึงหมู่บ้านชองโยแล้วก็พาไปตามถนนในหมู่บ้านจนมาถึงบ้านของนายโยเมื่อนายโยออกมาพบที่ประตูบ้านเด็กได้ทักทายเขาว่าไงนายโยจำฉันได้ไหม นายโยซึ่งสูงอายุแล้วรู้สึกไม่พอใจนะักที่เด็กมาเรียกตนเหมือนเป็นเพื่อนพ่อเด็กจึงเล่าเรื่องให้ฟังเมื่อนายโยได้เชิญเข้าไปในบ้านแล้วเด็กชายก็ยังพูดอีกว่านายโยจำชั้นได้ไยได้หรือเราเคยขายใบพลู ด, ด้วยกันแล้วชั้นยืมข้าวของแกมาหนึ่งอุ้งมือแต่ก็ถูกงูกัดตายก่อนที่จะได้ใช้คืนให้ แล้วจึงเล่าเรื่องที่ไปเกิดเป็นไก่และวัวในบ้านของนายโยโดยละเอียดนายโยได้ยินเรื่องที่เด็กเล่าให้ฟังแล้วก็ร้องไห้ด้วยความเสียใจในการที่ตนทํากับเพื่อนเก่าอย่างโหดร้ายในวงเล็บนายโยเป็นผู้เล่าเรื่องนี้ด้วยตนเองแกนายบะัตตะวินที่อาศัยอยู่ในเมืองเยสโจในราวปีพุทธศักราช2494 เรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าหากยังมีตัณหาและความยึดมั่นถือมั่นอยู่เราจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงการมีพบใหม่ได้เลยเรื่องคนไปเกิดเป็นนางอสูรกายและวัวในราวปีพุทธศักราชสองพัริสพระพิสุรูปหนึ่งชื่ออาจินนะ พักอยู่ที่วัดบายจีในวงเล็บวัดพระใหญ่ในเมืองมันดาเลเป็นคนรูปงามผิวพรรณหมดจดและขยันศึกษาพระไตรปิฎกด้วยศรัทธาที่แก่กล้าวันหนึ่งขณะกำลังล้างบาทได้บอกพระเพื่อนที่อยู่ข้างๆว่าขอให้พวกท่านจงสำรวมระวังเนื่องเพราะพวกเรามีชีวิตอยู่ได้ด้วยอาหารที่ชาวบ้านถวาย จึงควรประพฤติตัวให้ดีผมนั้นรู้เรื่องนี้ดีก็เพราะมีประสบการณ์มาแล้วสามชาติเพื่อนภิกษุขอให้เล่าเรื่องในอดีตชาติท่านเล่าว่าชาติก่อนตนได้เกิดเป็นคนตายแล้วไปเกิดเป็นนางอสุรกายได้รับทุกข์อย่างสาหัสหิวโหยอยู่ตลอดเวลาไม่มีที่พักอาศัยต้องเที่ยวหาอาหารด้วยความเหน็ดเหนื่อย หลังจากนั้นก็ไปเกิดเป็นวัวผู้ต้องอยู่ร่วมข้อกับวัวที่มีน้ำหนองไหลออกจากจมูกมีกลิ่นเน่าเหม็นจนทนไม่ไหวพอพยายามขีดให้วัว น, นั้นออกห่างก็ถูกเจ้าของทุบตีเพราะคิดว่าเกเรหลังจากตายไปก็ไปเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้ด้วยความสังเวชจึงมาบวชเป็นภิกษุในวงเล็บในขณะเล่าเรื่องนี้ ท่านมีอายุราว 29-30 ปีเรื่องนี้ทำให้เกิดความสังเวชว่าความยึดมั่นและความอยา ก, ก่อให้เกิดพบนอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่าการไปเกิดในทุกขติภูมิเป็นสิ่งที่น่ากลัวแม้การเป็นสัตว์เดรัจฉานที่ไม่อาจสื่อสารให้คนเข้าใจได้ก็มักจะถูกทารุณอย่างโหดร้าย รพระไปเกิดเป็นวัวและสุนักในราวปีพุทธศักราช2491มีเจ้าอาวาสที่วัดประจำหมู่บ้านในเขตเมืองมงยาวาได้ถูกหัวหน้ากบฏยิงตายเพราะเข้าใจว่าท่านไปรังแกลูกน้องของตนต่อมาท่านได้มาเกิดเป็นมนุษย์และบวชเป็นพระภิกษุสามารถสอบผ่านวิชาของพระได้หลายชั้นท่านเล่าให้ฟังว่า หลังจากถูกยิงตายได้ไปเกิดเป็นวัวต่อมาเป็นสุนักและจึงได้มาเกิดเป็นคนอีกในชาตินี้การที่ภิกษุต้องไปเกิดเป็นวัวและสุนักในชาติถัดไปนั้นนับว่าเป็นการตกต่าลงไปมากแต่หากตัญหายังไม่สิ้นไปเราก็ยังอาจต้องไปเกิดในภูมิที่ต่ำลงกว่านั้นอีกหลายๆชั้นเหมือนกับพระติสะ ที่ไปเกิดเป็นตัวเลนเพราะห่วงจีวรดังนั้นถ้าหากตัณหารวมทั้งทิฏฐิและวิจิกิจฉายังมีอยู่การเกิดใหม่ก็ยังมีอยู่เรื่อยไปจึงควรที่จะพยายามกำจัดตัณหาให้หมดไปโดยสิ้นเชิงอย่างตามควรกำจัดทิฏฐิและวิจิกิจฉาให้สิ้นไปก่อนก็จะเกิดใหม่อีกเพียงเจ็ดชาติ และไม่ไปเกิดในอบายภูมเรื่องคนไปเกิดเป็นตุ๊กแกในราวปีพุทธศักราช2504ในหมู่บ้านพระ อ, องแวะใกล้กับเมืองได้อู มีเด็กคนหนึ่งอ้างตนว่าเคยเป็นอดีตเจ้าอาวาสในหมู่บ้านอยู่วัยจีซึ่งอยู่ห่างออกไปราวสองไม้เขาเป็นเด็กฉลาดจำเก่งเมื่อพาไปยังวัดที่เขาอ้างว่าเคยเป็นเจ้าอาวาสเขาสามารถจำสิ่งของในวัดได้ทั้งหมดและยังบอกชื่อคนบริจาคได้อีกด้วยเขาเล่าว่าหลังจากที่เจ้าอาวาสมรณนะภาพลง ได้เกิดเป็นตุ๊กแกอยู่ในวัดนั้นเองต่อมาตุ๊กแกก็กระโดดจากกุฏิไปยังต้นตาลแต่พลาดตกลงมาขาหักและตายไปในเวลาต่อมาเมื่อตายไปได้โดยสารเกวียนของชาวนาจากหมู่บ้านพระององแวะและก็ได้อาศัยอยู่ที่บ้านชาวนานั้นการโดยสารเกวียนของชาวนาเป็นคตินิมิตที่ปรากฏในขณะใกล้ตาย ในปัจจุบันมีคนจํานวนมากเชื่อว่าตายแล้วศูนย์บางคนยังสับสนว่าตายแล้วเกิดจริงหรือไม่แม้ในพระสูตรต่างๆจะระบุไว้อย่างชัดเจนว่าการเกิดใหม่มีจริงบางคนก็ยังไม่ปรงใจเชื่อดังนั้นอาตมาจึงนำเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในสมัยปัจจุบันมาเล่าเพื่อยือนยันว่าผลกรรมและการเกิดใหม่มีจริง ตัวอย่างทั้งหมดนี้สอดคล้องกับพุทธดำรัสในพระสูตรนี้ว่าโปโนพวิกานันทีราคะาสหคตาตัดระตตราพินันทินีในวงเล็บตัณหาที่ก่อให้เกิดพบใหม่ประกอบด้วยความยินดีพอใจที่ทำให้เพลิดเพลินพบและอารมณนน์นั้นๆอัหนึ่ง พระพุทธองค์ทรงจำแนกตัณหาเป็นสามประเภท 1. กรรมตัณหาความพอใจในกรรมคุณหรือพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสที่เป็นทั้งภายในและภายนอกพร้อมด้วยบุคคลสิ่งของที่เนื่องด้วยรูปความพอใจดังกล่าวนี้มีอวิชชาประกอบทําให้เข้าใจผิดว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นของเที่ยงสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุข สิ่งที่เป็นเพียงรูปนามว่าเป็นตัวเราของเราและสิ่งที่ไม่สวยงามว่าสวยงามเพราะอาวิชชาทำหน้าที่ปกปิดสภาวะที่แท้จริงของอารมณ์ไว้เมื่อบุคคลพอใจในกรรมคุณอย่างนี้ย่อมเกิดความยึดมั่นด้วยอุปทานและทำกรรมดีหรือกรรมชั่วเพื่อให้ได้รับสิ่งที่ตนต้องการหลังจากนั้น จึงเกิดชาติชราและมรณะเป็นต้นเวียนไปมาพบแล้วพบเล่า 2. ภวะตัณหาความพอใจโดยเห็นผิดว่าพบเที่ยงเป็นความพอใจของผู้มีสั ส, ะสะตะทิฏฐิคือความเห็นว่าพบเที่ยงเขาต้องการจะมีอยู่คงอยู่ตลอดไปแม้ว่าร่างกายจะสลายไป จั ก, กรวาลทั้งหมดจะถูกทำลายตลอดเวลาก็ยังเห็นว่าวิญญาณหรืออัตมันเป็นกายทิปที่ไม่ขาดศูนย์แต่จะย้ายจากร่างหนึ่งไปอีกร่างหนึ่งเรื่อยไปเหมือนนกที่บินไปเกาะต้นไม้ใหม่เหมือนต้นเก่าล้มไปความยึดมั่นเช่นนี้เป็นที่มาของปรัชญาที่กล่าวว่าอัตมันจะมีอยู่คงอยู่ตลอดไป ชีวิตหลังความตายเป็นการไปเกิดในสวรรค์อยู่ร่วมกับพระเจ้าเป็นนิรันด์ด้วยกรรมดีหรือไปเกิดในนรกเป็นนิรันด์ด้วยกรรมชั่วหรือเวียนตายเวียนเกิดตลอดไปด้วยแรงกรรม 3. วิภวะตัณหาความพอใจโดยเห็นผิดว่าพบขาดศูนย์เป็นความพอใจของผู้ที่มีอุดเชททิตติคือความเห็นว่าพบขาดศูนย์ กล่าวคือตายแล้วสูญสลายไม่เกิดอีกความเห็นนี้ปฏิเสธความจริงว่ามีเกิดมีตายและไม่ยอมรับว่าความทุกนั้นต้องเกิดต่อเนื่องไปอีกหากว่ายังมีการปรุงแต่งด้วยกรรมอยู่ทั้งนี้เพราะกลัวผลของกรรมชั่วที่ทำไว้ในชีวิตนี้จึงปฏิเสธชีวิตหลังความตายตันหาประเภทนี้ตรงกันข้าม เพราะว่าตัณหาความเห็นดังกล่าวเป็นลทัทธิของอาชิตตาเกสะกัมพลปรากฏในพรมชาลสูตรว่ามหาบอพิษทานที่บุคคลให้ไม่มีทานที่บูชาบวงสวงไม่มีวิบากของกุศลและอกุศลที่กระทําไว้ดีหรือไม่ดีย่อมไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีคนเหล่านี้ที่ประชุมของมหาภูตรูปสี่ เมื่อทำการเกลริยาธาตุดินในวงเล็บภายในไปตามธาตุดินในวงเล็บภายนอกธาตุน้ำไปตามธาตุน้ำธาตุไฟไปตามธาตุไฟธาตุลมไปตามธาตุลมอินทรีย์ทั้งหลายย่อมเลื่อนลอยไปในอากาศในปัจจุบันมีบางแห่งกล่าวซ้อนว่าเพราะว่าตัณหาคือความอยากมีอยากเป็นคืออยากเป็นนั่นเป็นนี่ หรืออยากเกิดอยากมีอยู่คงอยู่ตลอดไปส่วนวิภวตันหาคือความอยากในวิภพคือความทยานอยากในความไม่มีไม่เป็นอยากไม่เป็นนั่นอยากไม่เป็นนี่ตามความจริงแล้วความอยากมีอยากเป็นนับเข้าในกามะตันหาอยู่แล้วส่วนความอยากไม่มีอยากไม่เป็นประศจากลักษณะของตันหาข้อที่สอง และสคือการประกอบด้วยความยินดีพอใจในวงเล็บนันทีราคาสหคตาและความเพลิดเพลินพบในอารมณ์นั้นๆในวงเล็บตัตต ร, รัตราพินันทินีบางแห่งอธิบายว่าวิภวตันหาคือความไม่อยากมีไม่อยากเป็นเช่นไม่อยากเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน ไม่อยากเกิดเป็นคนจนความไม่อยากดังกล่าวไม่จัดเป็นตัญหาเพราะปราศจากลักษณะของตัญหาข้อที่สองและสามเช่นเดียวกันความไม่อยากนั้นจัดเป็นโทสะอย่างอ่อนที่มีลักษณะปฏิเสธเป็นห่วงหรือโทมนัสน้อยใจ สรุปความว่าการมตัญหาเป็นความพอใจในกรรมคุณห้าประการภาวะตัญหาเป็นความพอใจประกอบด้วยสัจตทิฏฐิส่วนวิภวตัญหาเป็นความพอใจที่ประกอบด้วยอุเฉททิฏฐิดังมีข้อความในคมพีอัตถกถาว่าความพอใจในกรรมคุณชื่อว่าการมตัญหาคํานี้เป็นชื่อของราคะ ที่มีในกรรมคุณหความพอใจในภพชื่อว่าภวะตัณหาคํานี้เป็นชื่อของความพอใจที่ได้เกิดขึ้นด้วยความปรารถนาภพความพอใจที่ประกอบด้วยสัจสตทิฏฐิความพอใจในรูปประภูมิและอรูปประภูมิและความพอใจในฌานในวงเล็บรูปฌานและอรูปฌานความพอใจในวิภพ ชื่อว่าวิภวตันหาคำนี้เป็นชื่อของความพอใจที่ประกอบด้วยอุดเชททิฏฐิในคำพีอัตถกถาข้างต้นแสดงภาวะตันหาสี่ประเภท 1. ความพอใจที่เกิดขึ้นด้วยความปรารถนาพบคือความเพลิดเพลินยินดีในกามภูมิที่กำลังประสบอยู่และต้องการจะไปเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาในภพต่อไป ในวงเล็บในนี้คำว่าพระเวตัญหาพระวะัญหาแปลว่าความพอใจในกามพบชื่อว่าพระวะัญหาโดยพร ะ, ะสัพท์หมายถึงการมภพ 2. ความพอใจที่ประกอบด้วยสัจสตทิฏฐิคือความพอใจที่เห็นว่าอัตภาพและโลกเที่ยงไม่สูญสลาย ตามในนี้คําว่าภเวตันหาภวะตัฒหาแปลว่าความพอใจในอาตมันที่มีอยู่เสมอชื่อว่าภวะตัฒหาโดยภวะวสั์หมายถึงอาตมันที่มีอยู่เสมอ 3. ความพอใจในรูปประภูมิและอรูประภูมิในวงเล็บตามในนี้คําว่าภเวตันหา ภวตันหาแปลว่าความพอใจในภพที่เป็นรูปภพและอรูปภพชื่อว่าภวะตันหาโดยภาวะสับหมายถึงรูปภูมิและอรูปภูมิสความพอใจในฌานในวงเล็บตามในนี้คำว่าพระเวตันหาภวะตันหาแปลว่าความพอใจในรูปฌาน และอรูปฌานที่มีอยู่ชื่อว่าภวะตัณหาโดยภวะศัพท์หมายถึงรูปฌานและอรูปฌานที่มีอยู่ตัณหาทั้งสามประเภทดังกล่าวเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ย่อมเกิดขึ้นในใจและตั้งอยู่ในรูปนามที่น่ายินดีพอใจจำแนกเป็นสิบกลุ่มคือทวานหกได้แก่ ตาหูจมูกลิ้นกายใจอารมณ์หกได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์วิญญาณหกได้แก่การรู้อารมณ์ทางตาการรู้อารมณ์ทางหูการรู้อารมณ์ทางจมูกการรู้อารมณ์ทางลิ้นการรู้อารมณ์ทางกายการรู้อารมณ์ทางใจผัสสะหกได้แก่ สัมผัสทางตาสัมผัสทางหูสัมผัสทางจมูกสัมผัสทางลิ้นสัมผัสทางกายสัมผัสทางใจเวทนาหกได้แก่เวทนาที่เกิดจากการสัมผัสทางตาเวทนาที่เกิดสัมผัสทางหูเวทนาที่เกิดสัมผัสทางจมูกเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางลิ้นเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางกาย เวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางใจสัญญาหกได้แก่ความหมายรู้ในรูปความหมายรู้ในเสียงความหมายรู้ในกลิ่นความหมายรู้ในรสความหมายรู้ในสิ่งสัมผัสความหมายรู้ในธรรมรมสัญญาเจตนาหกได้แก่ความจำงในรูปความจำงในเสียงความจำงในกลิ่นความจำงในรส ความจำง ใ, ในสิ่งที่สัมผัสความจำงในธรรมารมตัณหาหกได้แก่ความพอใจ ใ, ใ, re ในรูปความพอใจในเสียงความพอใจในกลิ่นความพอใจในรสความพอใจในสิ่งสัมผัสความพอใจในธรรมารมวิตกหกได้แก่ความตรึกในรูปความตรึกในเสียงความตรึกในกลิ่นความตรึกในรส ความตรึกในสิ่งที่สัมผัสความตรึกในธรรมารมณ์วิจารณหกได้แก่ความตรองในรูปความตรองในเสียงความตรองในกลิ่นความตรองในรสความตรองในสิ่งสัมผัสความตรองในธรรมารมณ์ตัณหาเกิดขึ้นและตั้งอยู่ในกองรูปนามโดยสําคัญว่าตาของเราสวยงาม รูปที่เห็นสวยงามรู้อารมณ์ทางตากระจ่างชัดเจนเป็นต้นความจริงแล้วการรู้อารมณ์ทางตาเป็นอุบัติการที่เนื่องด้วยเหตุปัจจัยกล่าวคือการปรากฏขึ้นของรูปทางตาซึ่งปัจจัยภายนอกคือแสงสว่างและปัจจัยภายในคือความใส่ใจช่วยเกื้อนหนุน จึงเกิดการรู้อารมณ์ทางตาได้นอกจากนี้การกระทบหรือสัมผัสทางอายตนะหกคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจย่อมทำให้ตัณหาเกิดขึ้นและตั้งอยู่ตลอดเวลาและเพราะการสัมผัสทางอายตะ 6, นะหกนี้จึงทำให้ปรากฏเวทนาที่ เกิดจากการสัมผัสทางตาเป็นต้นต่อจากนั้นความจําได้หมายรู้ในรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งที่สัมผัสและธรรมารมอันเป็นสภาพที่น่า ย, ยินดีพอใจทําให้ตัณหาเกิดขึ้นและตั้งอยู่แล้วความจํานงในรูปที่เรียกว่าสัญญเจตนาคือเจตนาปรุงแต่งกรรมมีความหมายเดียวกับสังขาร ที่เนื่องด้วยรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งที่สัมผัสและธรรมรมย่อมทำให้ตัณหาเกิดขึ้นและตั้งอยู่ต่อมาเมื่อมีตัณหาหรือความพอใจในรูปเสียงตัณหาก็เกิดขึ้นและตั้งอยู่ในสิ่งนั้นๆจากนั้นก็เกิดวิตกหรือความคิดถึงรูปเสียงอันหน้าพอใจต่อจากนั้นก็จะวนเวียนอยู่ในความคิดนั้นๆ ที่เรียกว่าวิจารทั้งหมดนี้คือบ่อกเกิดของตัญหาและทำให้ตัญหาเพิ่มโพนมากขึ้นดังข้อความในมหาสติปัฏฐานสูตรว่าภิกษุท์ทั้งหลายก็แลตัญหานั้นเกิดขึ้นในที่ใดและตั้งอยู่ในที่ใดเล่าสภาพใดน่ายินดีพอใจในโลกแห่งรูปนามสภาพนั้นคือสิ่งที่ตัญหาเกิดขึ้นและตั้งอยู่ อะไรเล่าเป็นที่น่ายินดีพอใจในโลกในวงเล็บแห่งรูปนามตาในโลกในวงเล็บแห่งรูปนามเป็นสภาพน่ายินดีพอใจตัณหาเกิดขึ้นและตั้งอยู่ในสภาพคือตานี้หูจมูกลิ้นกายใจในโลกในวงเล็บแห่งรูปนามเป็นสภาพที่น่ายินดีพอใจตัณหาเกิดขึ้นและตั้งอยู่ ในสภาพคือใจนี้คมภีอัตถคถาแสดงความหมายของอุปัชติในวงเล็บเกิดขึ้นว่าเป็นการเกิดขึ้นก่อนส่วนนิวิตติในวงเล็บตั้งอยู่คือการเกิดขึ้นบ่อ ย, อยส่วนคัมภีดีกาแสดงในอื่นเอาไว้อุปัชติเป็นการปรากฏโดยความเป็น ปริยุทธฐานคือฟูขึ้นในพื้นผิวของจิตส่วนนิวิสติคือการนอนเนื่องในจิตโดยความเป็นอนุสัยที่ฝังอยู่ในระดับลึกต่อเมื่อมีเหตุปัจจัยพร้อมมูลตัณหาย่อมเกิดขึ้นโดยปรารภสภาพหน้ายินดีพอใจซึ่งบุคคลมิได้อย่างเห็นตร ล, ลักษ์ตามความเป็นจริง อนุสัยดังกล่าวชื่อว่าอารัมมานุสัยคืออนุสัยที่นอนเนื่องในอารมณ์สามารถละได้ด้วยวิปัสนาส่วนอนุสัยที่ประเภทหนึ่งชื่อว่าสันตนานุสัยคืออนุสัยที่นอนเนื่องในกระแสจิตสามารถละได้ด้วยมรรคยานสี่ขั้นตามลําดับ